ละอองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้สรงอำนาจโดยพระนามของ Allah, องัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเ ม, มื่อชั้นฟ้าได้แตกและเมื่อบันดาดวงดาวหล่นกระจาย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 ไม่ช่เช่นนั้นแต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนตังหาและแท้จริงมีผู้คุ้มกันรักษาพวกเจ้าอยู่คือมาลิกะผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึกยลละมมูฟ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 และพวกเขาจะไม่เป็นผู้ออกจากมันคือจะอยู่ในนั้นตลอดไปและอะไรเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแผนนั้นคืออะไรแล้วอะไรเราทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไร